เรื่องรัฐบาลกุลบุตร346ิกพิกทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วบิดาของรัฐบาลกุลบุตรกล่าวเป็นคาถาว่าลูกรัฐบาลคนจำนวนมากพากันมาขอ พ่อทั้งที่พ่อก็ไม่รู้จักฉนัยลูกจึงไม่ขอพ่อบ้างเล่ารัฐบาลกุระบุตรกล่าวต่อบิดาว่าคนขอย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ถูกขอคนถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ขอเพราะฉะนั้นลูกจึงไม่ขอพ่ออยาให้ลูกเป็นคนหน้าช่งของพ่อเลยภิกษูทั้งหลายรัฐบาลกุระบุตรยังกล่าวกับบิดาของตนอย่างนี้ ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงคนที่กล่าวกับคนอื่นเลย347ภิกษุทั้งหลายทรับสมบัติของเครือขัดรวบรวมไว้ได้ยากเมื่อได้มาก็เก็บรักษาไว้ได้ยากโมฆะบุรุษทั้งหลายเมื่อทรับสมบัติที่พวกเครือขัดรวบรวมไว้ได้ยากทั้งเมื่อได้มาแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้ยากเช่นนี้เธอทั้งหลายกลับเป็นผู้มากไปด้วยการขอ เป็นผู้มากไปด้วยการออกปากขอด้วยการกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้คนงานอุปกรณ์ก่อสร้างสำเร็จรูปโคเกวียนมีดควานพึ่งจอบสิวเทวันไม้ไผ่หญ้ามงกระต่ายหญ้าแฝกหญ้าสามันดินเหนียวการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย